เหตุเกิดแห่งการสแสวงหาทั้งหลายธรรมะเป็นที่ดับแห่งการสแสวงหาทั้งหลายและมักอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งการสแสวงหาทั้งหลายภิกษุหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งการสแสวงหาทั้งหลายคิดดูนะครับคําว่าสแสวงหายังประมวลมาในแนวอริยศาสตร์เลยนะครับ การแสวงหาการสแสวงหาสมุทัยการสแสวงหานิโรดการแสวงหานิโรธค า, า, ามมนีปฏิปทานะครับแต่ตรงบาลีใช้ศัพทบยังไงครับบาลีเมื่อกี้ในะคาถาที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับสมาหิโตสัมปชาโนสโตพุทธะสาวกโกเอสนาจะปัญานานติเอสนานันจะสัมภวังยัตเจตานิรุรชันติ มักขันจะขยะขามินังเอสนานังขยาพิขุนิชขาโตปรินิพุตโตตินะครับสาธุเพราะนั้นจากสังเกตดูนะแต่ว่าไม่ใช่คำว่าทุกทุกสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคาามินีปฏิปทาแต่ก็คือความหมายครอบคลุมโดยแนวเดียวกันนะครับดังนั้นคำว่าสแสวงหาก็ประมวลมาในแนวอริยสัจได้นะครับในอัตถกถานะครับ คำว่าการแสวงหาคือการเสาะหาได้แก่การค้นหาชื่อว่าเอสนะเสาะหาแสวงหาค้นหาก็ได้นะครับโอ้โหทั้งแสวงทั้งเสาะทั้งค้นนะครับเพื่อที่จะหาให้เจอหรือเปล่านะครับหาอะไรครับหากามหาพบหาพรหมจันทร์3ามอย่างเนี่ยนะเพื่อจะแสดงทรงแสดงการแสวงหาเหล่านั้นโดยการจำแนกออกไปจึงตรัสคําเมียที่ว่ากามเมสนา บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าการมีสนาคือการสแสวงหากรรมหรือการสแสวงหากล่าวคือการมชื่อว่าการมีสนาสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบรรดาเอสนาคือการสแสวงหาเหล่านั้นการมีสนาเป็นชนัยคือความพอใจในการมความกําหนัดในการมความเพลิดเพลินในการมความสิเนหาในการมความกวนกวายในการมความสยบในการม การอย่างลงสู่กามในกามทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่ากามเมสนาเพราะฉะนั้นการมรมราคะพึงทราบว่าเป็นการรมเมสนามันได้แก่โลภะที่ยินดีในกามทั้งหลายนะครับชื่อว่าการรมเมสนาเรียกว่ากา ร, รสแสวงหากามแม้ในพระเวสนาการสแสวงหาพบก็มีในนี้เหมือนกัน สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นภเวสนาเป็นไฉไความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพความสิเนหาในภพความกวนกวายในภพความสยบในภพการอย่างลงสู่ภพนะครับในภพทั้งหลายอันใดนี้เราตถาคตเรียกว่าภเวสนานะครับเพราะฉะนั้น ความกำหนัดในการสแสวงหากามคือปรารถนารูปประพบและอรูปประพบพึงทราบว่าเป็นภาวะเอสนะหรือภเวะสนะนะคบการสแสวงหาพบเนี่ยนะครับหมายเอาโลภะที่ยินดีในโลภะที่ปรารถนารูปประพบและอรูปประพบนะครับส่วนข้อแรกเนี่ยนะปรารถนากามใช่หมครับราคาที่ยินดีในการมาคุณห้า นะครับเรียกว่าการเมสณะราค่าที่ยินดีในรูปประชานและอรูปประชานหรือรูปประพอรูปประพบเรียกว่าภวะเอสนาครับการสแสวงหาพรหมจารย์ชื่อว่าบ ร, รมจริเยสนานะครับเหมือนอย่างที่ตรัสไปว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นพรหมจริยะเอสน่าเป็นไฉนทิฏฐิทิฏฐิคตะนะครับนะความเห็นผิดะนะโรกชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิการถือเอาการรับการยึดมั่นการลูปคลำทางที่ผิดคัรลองที่ผิดความเห็นผิดลัทธิการยึดถือการแสวงหาที่ผิดชนิดใดว่าโลกเที่ยงอันนี้เป็นไรครับสัตะทิฏฐินะโลกไม่เที่ยงอันนี้อุเฉตทิฏฐิโลกมีที่สุด อันนี้ทั้งสัสตะและอุเฉตโลกไม่มีที่สุดอันนี้ทั้งสัตตะและอุเฉตชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอันนี้เป็นอุเฉธาทิฐิชีพเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสัสตธาทิฏฐิสัตว์หลังจากตายแล้วยังมีอันนี้เป็นสัสตธาทิฏฐิสัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีอันนี้เป็นอุเฉธทิฐิสัตว์หลังจากตายแล้วมีอีกบ้างไม่มีอีกบ้างเรียกว่าเอกจจะสัสตธาทิฏฐิ สัตว์หลังจากตายแล้วมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้เป็นอมาราวิเขปะทิฐินะครับนี้เราเรียกว่าป ร, รมจริยะเอสนาเพราะฉะนั้นเรียกว่าการสแสวงหาพรหมจรรย์ที่สมมุติกันว่าเป็นทิฐิพึงทราบว่าได้แก่การสแสวงหาทิฐิพรหมจรรย์นะครับว่าสแสวงหาพรหมจรรย์ในสูตรนี้หมายถึงสแสวงหาทิฐิพรหมจรรย์นะครับด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงราคะและทิฏฐิว่าเป็นเอส น, นะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของการสแสวงหากรรมการสแสวงหาพบได้แก่โลภะนะครับการสแสวงหาพรหมจรรย์นั้นเป็นชื่อของทิฏฐิเพราะฉะนั้นการสแสวงหาด้วยตัณหาและทิฏฐินั่นเองนะครับอ่นนะตัวการสแสวงหากรรมกับตัวที่สแสวงหาพบเนี่ยได้แก่ตัวราคะตัวโลภะตัวทิฏฐินะครับ การแสวงหาพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงตัวทิฏฐิอันนั้นแหละคําว่าการแสวงหาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรอันนั้นถ้าแสวงหากรามกับแสวงหาพบเป็นชื่อของโลภะตัวแสวงหาพรหมจรรย์ตัวเนี้ยเป็นชื่อของทิฏฐินะครับทิฏฐินะเป็นผู้แสวงหานะครับเศาหาด้วยอํานาจทิฏฐินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิกับตัวตันหานั่นแหละเป็นตัวแสวงหาตัวเอสนาในที่นี่นะครับ ตรงนี้ไหมที่ที่ป้านนท์บอกว่าอาศัยตันหะละตันหาอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้หมายถึงสายวัตตะทั้งหมดนะครับเนี่ยนี้ไม่ใช่วิวัฏฏะส่วนอาศัยตันหาละตันหาอันนั้นเนี่ยเป็นวิวัตฏะนะครับในสูตรนั้นในภิคุณีสูตรในอังคุตระนิกาจรจตุการมีบาทนะครับนะถ้าตรงนั้นนี้ก็อธิบายคนละในกันเลยนะครับขออนุญาตครการแสวงหาภรมจันทร์ในอธิบายคําว่าปรมจันทร์ที่เป็นชื่อของมิจฉาทิฐิ ตรงนี้นะครับสูนนี้นะเฉพาะสูนนี้นะไม่ใช่พรหมจรรย์ในความหมายอื่ น, น, น, ท, นทั้งหลายแลแที่ปฏิบัติไม่ใช่ตามมารยาคมีองคแบบ์แเรียกว่าสแสวงหาพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามทิฏฐิเป็นหลักนะครับทิฏฐิเป็นประธานแห่งการปฏิบัติของเขานั้นๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าสแสวงหาพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอัตถกถาใหว่าอธิบายว่าได้แก่การแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย์นั่นเองนะครับได้แก่การแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย์ เพราะฉะนั้นสรุปนะองธรรมของสูตรนี้ทั้งสองเลยคือราคะกับทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นตัวราคะกับตัวทิฏฐิจึงประมวลลงอริยศาสตร์ได้ใช่ไหมครับจึงที่วักว่าไงบอกว่ารู้ชัดการรู้ชัดเอสนะคือรู้ชัดตันหาและทิฏฐิเหตุเกิดแห่งตันหาและทิฏฐิธรรมะเป็นที่ดับแห่งตันหาและทิฏฐิและมรรคอันให้ถึงความสิ้นตายแห่งตันหาและทิฏฐินะจึงสงเคราะห์ลงอริยมรรคได้นะครับ ก็ไม่ใช่เพียงราคาและทิฏฐิอย่างเดียวที่ทรงแสดงว่าเป็นเอสนาแม้กรรมเจตนานะที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับราคาและทิฏฐิก็ทรงแสดงว่าเป็นเอสนารวมถึงกรรมด้วยนะครับกรรมแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคํานี้ไว้ว่าบรรดาเอสนาเหล่านั้นกามมะเอสนาคืออะไรคือกรรมมราคะ และกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลอตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคะนี้เราตถาคตเรียกว่ากามะเอสนาบรรดาเอสนาเหล่านั้นภวะเอสนาคืออะไรคือภวะราคะและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลอันตั้งอยู่ในที่อันเดียวกันกับภวะราคะนั้นนี้เราตถาคตเรียกว่าภวะเอสนา บรรดาเอสนาเหล่านั้นพรห ม, มจริยสนาคืออะไรคืออันตะคาหิกะทิฐินะครัทิถิสิบข้อนี้เรียกว่าทิถิอันเป็นที่สุดเนี่ยนะอันมีส่วนสุดเนี่ยนะเรียกว่าอันตะคาหิกะทิฐิและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลตั้งอยู่ในที่อันเดียวกันกับอันตะคาหิกะทิฐินั้นนี้เราจะทาคตเรียกว่าพรห ม, มจริเยเสนานะครับคือสรุปนะตัวเอสนานี่ได้องค์ธรรมสาม 3. นะครับไม่ใช่ราคากับทิฏฐิเท่านั้นแม้ตัวกรรมคือเจตนากรรมก็เป็นเอสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงประมวลลงอริยสัจได้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 พึงทราบวินิจัยในคาถาทั้งหลายต่อไปว่าธรรมะทั้งหลายที่มีวิชาเป็นต้นและตันหาที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดขึ้นแห่งเอสนาชื่อว่าสัมภเวในบทว่าสัมภวังอธิบายว่าได้แก่สมุทัยนะวิชาเป็นต้นนะครับที่เป็นสมุทัยแล้วก็แห่งตันหาและตันหาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยแห่งทิฏฐิเนี่ยนะคะรับพวกนั้นเป็นสมุทัยศาสตร์บทว่ายัตเจตานิรุชชนติตความว่า พรมจรัจเรย์ย่อมดับไปด้วยปฐม ม, ะมะัมมัตกามะเอสนาสแสวงหาตามเนี่ยนะครับวัตถุกรรมเนี่ยนะครับย่อมดับได้ด้วยอนาคามิมัต์ภาวะเอสนาย่อมดับไปด้วยอรหัตตมัต์นนะเพิ่งทราบตามที่พันณนามาชนีนะครับบทที่เหลือก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาราคาทิฏฐิและกรรมเนี่ยนะครับมาทําปริญญาสามนะครับ มาทำปริญญา3ามแล้วก็แทงตลอดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสามารถบรรลุได้แล้วก็จักละราคะและทิฏฐิได้จริงๆก็ที่ไหนครับละทิฏฐิก็โสดาปติมัคตุแลละการมาราคะก็ด้วยอนาคามีมัคละการยินดีในพบก็ด้วยอรหัตมัคนะครับอันนี้เท่ากับแสดงธรร ม, มานุปัสสนานะครับเท่ากับแสดงธรร ม, มานุปัสสนาเพราะว่าราคะนั้นเป็นนิวรณ์นะครับ ทิฏฐิก็เป็นสังโยชนนะครับถ้าจะสงเคราะห์แนวสติปัฏฐานน่ะนะราคะก็เป็นนิวร์เช่นอะไรครับการมาฉันท่านิวณ์นั่นเองเท่ากับนิวร์บัพทะทิฏฐิก็เท่ากับอายตนะบัพทะอยู่ในสังโยชนนะครับอยู่ในอายตนะบัพทะในสติปัฏฐานสูตรนะครับส่วนกรรมหรือเจตนากรรมนั้นก็อยู่ในประเภทของอายตนะบัพทะเหมือนกันนะครับหรืออยู่ในขันท่านะครับขันธบัพทะก็ได้นะครับ คันตบพระก็ได้เพราะฉะนั้นตามลักษณะของสูตรนี้แสดงถ้าสงเคราะห์แนวสติปทานก็ได้ทำมานุปัสนาสติปทานนะครับเหนะ็นคิดดูนะครับสรุปนะน่าสังเกตว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือรูปอะไรก็ตามเถอะต้องเอามาทำปริญญาทั้งหมดนะครับโดยสรุปแล้วนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องเอามาทาปริญญาหมดเลย